S <S จะเร okay. okay. okay. ิ่มล้ก็ได้นะังไงก็เริ่มได้ได้ขยักข้ามาอันนบาทาหนขยักข้ามาับาที่สาวแม่อบาทอับาอัฐปาสแปลว่าบ่วงแห่งมือ คุณจะเริ่มก็เริ่มได้หนึ่งสงาสก็ดีแล้วแต่ตดบบคคได้ยินถึงกันไหมเนี่ยสวดให้ได้ยินถึงกันที่สวดเนี่ยได้ยินถึงกันไหมล่ะเอเริ่มใหม่ขึ้นเสียงดังให้ได้ยินตัวถึงกัน ปวารณาตระนาโตภเบนะวถังภิจังกาตบางโติสันานะธรมะเจนนัาลิุตะละนันจาอาสนะปัญญะนัน่าปานิยัปริโพเจนิยุปะปนันจสันดาราในินันดาหารนนจ่าเอหุมีวตะปวารณาในปวารณายปีปารณา่าอุตานันจาฮิกนนจ่คุนีนโมวาโดย่า ตัทธาปุริเมสุจัตุสุขิเกสุผลิตติจังดานิสุริยาโลกะสัตติชายนาติอภรานิตนิภิกขนัวัตตัญญาณันตหิภิกขุหิกตาิปิิิตาินตดหรปวารหรนนิพนินิสงสีมายังหทางวิเวานิสนนาภิกขุภาวตนติ ตูตานางนาเมตตังอติกันตังเอตังอวสติเอวังอุตูอาจิังตูีเปนาาเนเมันตะกิหานาเทตินหอนติอายังวะาโนตอิมาสิจังคุสตังโกสทาเาจัปปวรนาอิมนาภะเณตาปวารนาัมปตาปัญจโกสัาติกันตาเทรโสัทอาวสิทธะ พีเอวัสบิหิอายสันเตหิปุตุขานังหาเรตัปังเอวังนะนันนิมปวารณะเวยปวารณายสนิปัสสิกุเอวังาริกูคขนะนยิมัชุปนะปวารณะเวเตเตสะทิ ที่โคตรนี่พิจารณ์ตีที่สบายเฮียเล็กน้อยตีเฮียที่กุ้งน้ a งนับพิธารเรตบ้าที่คนีนโมวัดโอปน่าอิดาเนต้าสังนัทตายนัดที่ทีสักกรณ์นกาสานังคุปะกิจานังกาตตานี่การณ์นกาสานังคุปกิานังกยปรนตาอวัตัวะังคุปกิจันปนังโต นิสิตเจจะปุพกิเจสเจโซดิวาโซจารุตัสีปนนรสีสามกีนามิยะสโรยธาสกวรนาปนนรสียาวะติการะภิกขุสมมตปตาสังขะปวรณาระห้าปัญจวาตโตวะอติเรกาปะกาัสตาปาราชิกังนาปนาสังเนวานุกิตา เตจข้อหัตาปาสั้างอภิจตว่าเอกสิมายังสิตาเตสันจะวิกาละโผจนะนิวเซนาวัตุบภ aja ปติยเจนวิันติเตสันจะหัปาเตหัตปาสตมิกรณวเนเาวัจเจตบุพิวัจณียตุปนลเซนติเอวันตังปวารณาธรมอิิฮิตตุิรัตหนวยฮิสังไดังปสาลังนามโอติสารุงิตรูฟัง วรณมามสพ ต, ะตะสังริตวาอิานิกริยะมะนปวรณาสังเนะอุมาเนตัสสาเะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา ส, ะสะัาา ม, ม, มสพาาทมุทธะเ ส, สียงดังได้ยินตงงั้วานวเนี่ยให้เสียงดังขงึ้นคนหน่อย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสุน s รุเมย์บันเตสังโฆอาจจะวารณะปนัสสียัลิสังหาปะตะพลังสังโฆสมาโลกสมาโลติการกวารยยะ สุนทรุณีพันเตสังโฆอาจัปปวารณาปนรสีอยากดิสังขสัปตะกลังสังโฆสมานมัติกลางปวารียาสุนทรุณีพันเตสังโฆอาจัปวารณาปนรสียากิสังขสัปตะกลังสังโฆสมานมัติกลงปวารียา หูโคมันไม่ได้เรื่องเลยดียนี่หูเดี๋ยวเพื่อนะรฮะเพืสว่าการตัวงานตัวผ้าผ้างาชั่วกัน บางทีเป็นการป่อยงาหรือมหาป่อยงานขานถือเป็นเรื่องราวสำคัญมากทีเดียวการปล่อยงาตัวคือให้ละคือถือมาละไม่สำคัญว่าตัวมีความรู้ความกระตับหรือตัวเป็นอาวุโสให้จังก่อนยังเหลืออีกองครับผมยังไม่หมดยังไม่หมดมีไงทั้งงครับผม เอากว่ามี I mean ่ยาะครเราโมเยาะแล้ก็หู oh ัวกูเอาว่าไปบางย่งยังคือไอีกฮะาเรืองหัวก็ก่่ การประมาตัวเรียกว่าการรถขี้ขีมันะไม่มีอยู่ภายในตัวแลการใจออกต่อกันไม่มีขี้ขีมนะันงะอืมใครผิดใครผูกประกัรได้ <c oughs> ให้ตักเตือนกันได้ันเรียกว่าปองารถขี้ขีมนะันงะขี้ขีมนะันงะให้เป็นเหมือนผ้าที่้ว ทำตัวเป็นาพากคี่รู้อจอดทำความคือเอาุโสมพันเตให้เคารพกันเป็นชั้นๆด้วยแล้วความฝึกฝูกเพ อ, อยู่นี่ยอมรับกันไม่ว่าเอาธโสไม่ว่าพันเตยอมรับกันทั้งนันให้เรียกว่าวาวนาผ้ากังจ้งองกคก์ั้งใจปฏิบุตินะ์นาพ้าเราจรทะแล้วละๆนะ อืคือผมการปกครองหมู่เพื่องเวลานี้ไม่เหมือนแต่ก่อนไงผมเหมือนหัวเงอกตาบอดไปอย่างนเงี้ยแต่ยังมาแต่ก่อนแต่นํามาใช้ปัจจุบันนี้มันเท่ากันไม่ได้ครับหัวงอกตาบอดทุกวันเนี้ยแต่ก่อนไม่ได้ไงอืมอย่างนี้มันก็กล่าวว่าเท่าแก่มาแล้วไม่ค่อยสนใจอะไรตั้งแต่ตัวเอง ก็ร่มรูกคู่คานอยู่แรงอย่างให้พากันตั้งอกตั้งใจคู่ขนข้อวักปักด้วยแบแสดงความสามัคคีเจอะกันลดตรงทุกอย่างความขิดเกียจขี้ขา้างตอนี้มาให้มีถึงการเวลาแล้วให้ตั้งง่าต่งางกล้าด้วยแบบคิ ด, ดรวมเป็นการแสดงออกคืองามใจเจาะกันละกันอืม การคิดชวนรวมแนี่รพระเรางี่เหลยวใหญ่นังเงาคิดชวนรวมเป็นสําคัญมากอยู่ลำพังคนเดียวใครไม่ค่อยทราบกันแต่เวลาออกมาเรื่องคือยาความสามารถคียต่อกันหรือไม่สามารถคีอะไรจะทราบกันทันทีมีความพร้อมเตรียงสามารถคีย์หนียการงานข้อวัดปฏิบัติเป็นเรื่องของเราทำเพื่อเรา แม้จะทำรวมกันก็ทำเพื่อเราทำอยู่ที่ไหนไม่เผอสติสติให้จ้งอยู่ตลอดเวลาสำหรับนักปฏิบัติจะไม่ยืมจุยืมเงื่อยืมตัวอย่างง่ายๆของมือสักติตลอดทำให้มือสักติใช้มาไดยเรื่องสักตินี้ใช้ตลอดเวลาช่วยอย่าบมดไม่มีแว้คือสติ ทันจงบอสักกีสวัสดัสดียาแักกีจําต้องปรารถนาในที่ช่างปวงนะไม่เลือกความเคลื่อนไหวไปมาโยงโยงย่างเงนมีสักกี่เจเเวลอเกลือเกิดไม่ได้นะถ้ามอสักอยู่แล้วเจลือเกิดไม่ได้เกลือจะเกิดขึ้นทางสังขารพอระเผลอพับสังขารจะปุงออกแล้วนั่นคือสังขารของเกลือ ถ้ามาถึงขัง้นสังขารก็เป็นธรรมเรื่อ ย, ยู่จนมาแล้วเป็นที่แคบสังงันเนี่ยถ้าสังขารเป็นอเป็นมากแล้วใช้ิตปัญญาจนมางันสังขารนั่งเป็นเป็นธรรมเป็นธรรมแคบสังงันไปพากันจำว่าไงสังขารเนี่ยเป็นตัวสมุทัยมันได้ออกอยากให้ชึ้ให้ปรุงเรื่ององนันเรื่องนี้ ถติ จ, จับไว้ไม่มันผิดมันจะมีมากขนาดไห น, นมันก็ออกมาได้นะผมเคยทำมาแล้วเรื่องอบบนี้มาสอนหมู่พ่วนจึงไม่สงสัยว่าจะผึกไปเอาจา้า่าง อ, อกก็แตกมันอยากที่เกี่ยวกรงเพราะติเราเคยเสื่อมมาตั้งปีกับห้าเดือนทดสอบหายหรือขาฝนก็ไม่ได้ถึงเวลาแล้วมันก็เสื่อม ก็พยายามใส่ขึ้นไปเหมือนไส่คร้ขึ้นภูเขานั่นแหละสิบสี่ห้าวันไปถึงใจเยินหาสุขเย่งใจสวาใจนั่นสองคืนแล้วเรียกว่าคืนที่สามไม่เห็นมันเลยเนะี่ยมันเสื่อมลงอย่างพวดอเฟพวดพวด้ออะไรห้ามมาอยู่ทางนั้นแต่ว่ามีใส่ตัวเองอเพราะตอนนั้นเรากำกจะเฉพาะจิต เราไม่ใช้คำบุญกรรมมันเถอะไปได้เไยเพราะฉะนั้นมันจึงเสรมได้คือทีนี้พอมาพิจารณาเป็นที่แน่ใจมีการตกลงตัวเองว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะไม่เผลอสักทีด้วยคำบุญกรรมเจ้าคำบุญกรรมจิต ก, กับจิดไว้ตลอดทีนี้เอาจริงนะผมไม่ใช่คนเล่นนะพูดจริงๆไม่ใช่คุย ว่าอะไรเป็นรั้นจริงๆเพราะว่าเอาคํามือกรรมกับสติจับจิดไว้กับจิดเลยว่ะตั้งแต่นีจะไปไม่ให้เผอเพราะก็เหมือนกับว่ารักครางยังเต่งยังม่่ยต่อยกันเลยนี่รั้นใจลงเป็นสี่แง่ใจแล้วก็บริกรรมตลอดเลยไม่ให้เผอตั้งแต่สืนอนจนกระทั่งหลับไม่ยอมให้เผอไปไหนเลยทีนี้ความอยากขี้อยากคุงมันแสดงฤทธิ์ขึ้นมา มันอยากคิดจะผรุงบังคับไว้ยเยอะสักทีกับคำวิกรรมภาวานาะอืม <c oughs> วันแรกยี่หนักมากคือย่เหมือนตกในอกทั้งเป่งอกกแ็แก่แต่มันก็คิดมาได้นะเพราะเราไม่คิดนั่นเราสิ่งที่เกิดเมื่อเกิดไม่ได้นะไมคมวิ ก, กรกรมนี้เป็นคําของคำอบรมจิตใจรักษาจิตใจใจเมื่ออืมสังขารตัวที่ไม่รบกวนมัน ก็สะดวกสบายเย็นไปเย็นไปสงบงนี่สงบได้แต่นั้นก็ต่อไปเรื่อยไม่ให้เผลอจนกระทั่งตั้งจิตได้ถึงขั้นที่จญแล้วเสื่อมไม่เสื่อมค่อยขึ้นไปเรื่อยเรืยจึงจับได้แน่นอนว่าเมือเป็นเพราะขาดกำบูกรรมสติเผลอไปตรงนี้เ น, นี่ยเพราะมันไม่เผลอมันก็ไม่เสื่อมเนี่ยเราจับไว้ขนาดนั้นนะแล้วไม่เสื่อมเลย ถึงขัง้นเลยมนคือมันมันมันสงอบลงขนาดที่ว่าบริกรรมติดจิตกันไปนี่เมื่อจิตเข้าสู่ความสงอบแล้วคําบริกรรมหายเลยปรุงก็ไม่ขึ้นมันก็สงสยัยตัวเองทำไมจึงจึงบริกรรมไม่ได้เพราะอะไรมันบริกรรมไม่ได้เลยขาดตรงนั้นนึกไม่ออกเลยยึกนึกไม่ขึ้น อ๋อนีก็ยังเหลื อ, อยุ่ตั้งแต่ความรู้ทีละเอียดเอาสติจับไม่คือความรู้แทนคำบริกรรมเอาอย่างนั้นตลอดมามันก็จเจริญขึ้นได้เรื่อยๆนี่แหละการทําเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นให่ฟังกันจำไวนะ้ละความภาคเพียงอย่าลดละให้ตั้งหน้าตั้งตารปฏิบัติจริงๆเรื่องความภาคเพียอืม อะไรอย่างมือเท้าทรายเลยจะยินไหมล่ะเนี่ยมือเท้าท้ายเหลือความเคารพในตั้มกลางสงฆ์มันก็จะได้เวลาแล้วส า, ายมู่เฟื่อง <c oughs> อออตั้งใจภาวนาเรื่องสักกีอยู่ะนะนยที่ไหนให้มันอย่าให้เผลอนะเมื่เราคือความเพียรทําข้อไว้ปฏิบัติที่อยู่กับตัว ไม of, ่เผลอสติเราควบคุมไว้ไม่เผลอละถ้ามีสติควบคุมอยู่ไม่เผลอถ้าเผลอเมื่อไรเป็นชีพเป็นปรุงนั่นแหะตามงคิเอะไรขึ้นมาแล้วน่ะเอาไฟเผาตัวละสติชั่งเล่นแล้วก็เสื่อมได้อัถ้าสติติดอยู่แล้วไม่เสื่อมตั้งคืนใหญ่ตั้งคืนไหญ่พอเป็นถึงขั้นสงบก็ให้สติติดอยู่กับความสงบอืมเมื่อถึงขั้นสงบจริงๆแล้ว ความบริกรรมก็ไม่จำเป็นนะมันจะเด็กอยู่ที่ความรู้แล้วให้สติจับอยู่ที่ความรู้อีกต่อกันไปเรื่อยๆนะฟังกันจาละอรเอาะอฟังกาบกะพออยากให้ผมกราบนั่งสเอากราบเนียเรีวกัยวอย่นะีอ้อืม้ก็อืเรืองตงนีย